ในวันนี้พวกเราทุกคนก็นได้ตั้งใจมาประชุมร่วมกันลงบสนสดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่สาขา ก็ให้บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติให้จริงจังเพราะว่าคารวาเขาถ้าเรียนหนังสือก็ต้องศึกษาให้จริงจังตั้งใจศึกษาเล่าเรียนถ้าทำงานในทรรงโลกนั้นก็ต้องทั้งใจทำหน้าที่การงานให้ดีที่สุดอาภิสุสธะมณีเราก็เหมือนกัน เมื่อเข้ามาบวชในพระบรมพุทธศาสนาแล้วเราก็ต้องตั้งใจในการปฏริบัติธรรมมีจุดมุ่งหมายแห่งการปฏริบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ถ้ามีความตั้งใจจริงในการประพฏิบัติไม่ใช่ว่าบวชเช่นมาเล่นๆ เ, เข้ามาอยู่แล้วมาฉันแล้วมานอนไม่ปฏิบัติธรรม อันนั้นก็ไม่ถูกต้องเพราะเราทุกคนนั้นอาศัยมูลของพระพุทธเจ้าเคยคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทึงท่านได้สร้างคามมีมารณภบชาในตัวเนี่ยจนทำจิตของพระพุทโธนั้นให้บริสุทธิ์ม้จนทั้งหลายก็มีความศรัทธามีความเลื่อมใส ส่ อ, องสมเด็จพระสัมมาสมัมวิทเจา้าต่อพระธรรมกำเนันสองท่านต่อพระอานาวะโทั้งหลายก็ได้มาถวายปจัจจยสี่ให้เขาสิดถึำเนยนได้ประพฤติปธรรมแทนให้มีความสำนึกอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นป่าชีิตของเรานั้นเนื่องด้วยเฉพาะพื่นถ้าเป็นฆราวาส น, นะ เด็กๆที่ศึกษาเล่าเรียนก็ต้องอาศัยพ่อแม่ในการที่จะส่งเสียในการศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องทาหน้าที่การงานอะไรนี่ทางประเพณีของคนไทยเหมือนพ่อแม่จ้างให้ศึกษาเล่าเรียนเรียนหนึ่งเตยอย่างเดียวเรียนให้ดีที่สุดนี่เราผู้เป็นอ้านเนก็เหมือนกันเราก็ใ ส, ส่สเกลสีอย่างญาติโยม นหน้าที่ของเรานั้นก็คือผู้ปฏิวัติธรรมเมื่อใส่ปฏจสียญาิโยมแล้วก็คพิงที่จะความเพียตอนาให้ยิ่ง่ขึ้นไปในแต่ละวันแต่ละคืนที่ร่วงพ้นหรือผ่านพ้นไปนั้นเราได้ทำความเพียนให้ถึงพร้อมหรือยัง นักประพฤฏิบัตินั้นต้องพิจารณาโมรนานุตติในทุกๆวันโดยปกติแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นถามท่านน์ว่าในวันหนึ่งพวกเธอนั้นพิจารณาโมรนานุตติหรือพิจารณาความตายวันละกี่ครั้ง บันท่านก็เจ็ดครั้งสิบครั้งร้อยครั้งก็แตกต่างกันออกไปแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าพวกเธอยังบาปอยู่ราถาคตพิจารณาถึงความตายทุกลมหายใจกคือมีสติอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนรร ม, มัติให้พวกเราทุกคนนั้น ถ้าปล่อยจิตใจปรุงแต่งไปในเรื่องอนาคตเดือนหน้าหกพรรษาในปีหน้ามางทีก็ไกลเกินไปเพราะความตายนั้นจะเกิดขึ้นหรือจะมีขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพีงมีสติอยู่ในปจิบันธรรมคือเฝ้าดูจิตใจเราอยูเ่เสมอการพิจารณาความตายก็เพื่อที่จะ ให้เล่งลักรามความเปลี่ยนให้ประมาทในชีวิตอย่างน้อยที่สุดอย่างแย่ที่เุดเราก็พิจารณาถึงความตายว่าชีวิตของเรานั้นมีอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเมื่อเราเตื่นขึ้นมาเมื่อเราจำวัดในคืนนี้เราก็คงจะหมดลมเสียแล้วเพราะขนาดที่เรายังมีลมหายใจมอย่ยังไม่ได้ถึงเวลาจำวัดห้าทุ่มหกทุ่ม ในวันปกติเราจะทำอะไรให้เป็นแก่นสารตาระติดแจเราบ้างต้องพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอๆแคเป็นสิ่งซึ่งกระตุ้นเปลี่นติดใจเรานั้นให้ตาลบความเปียนในทุกๆวันความเปียนนั้นก็จะเป็นเครื่องแผดเผากิเลสไปในติดใจของเราสิ่งที่ติดใจเรานั้นเคยกิน อยื่กับความนคิดกับอารมณ์ต่างๆไปในใจเราซึ่งอารมณ์ต่างๆนั้นไม่เคยพาให้ใ จ, จิตใจเรานั้นพ้นจากความทุกข์เลยหรืออารมณ์ของกิเลสนั้นก็ไม่เคยพาให้ใ จ, จิตใจเรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัตินั้นจึงต้องฝืนต่ออารมณ์ฝืนต่อกิเลส ท่านเลยวัดทวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของกิเลสเฝ้าดูจิตใจของเราาจิตใจเรานั้นคิดไปนในเรื่องอะไรหรือมีเกณฑ์ในเรื่องอะไรก็หาทางที่จะแก้ไขหาทางที่จะดับกิเลสในใจของเราซึ่งโดยปกติแล้วพวกเราทุกคนนั้นก็ได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษามาพอสมควรในเรื่องการปฏิบัติ เราทุกคนก็รู้จากว่าสินสมาธิปัญญาเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่นั่นเป็นความรู้ภายนอกเราต้องทำให้เกิดขึ้นภายในจิตแจ้งเรามีสติยห็ในขอบเขตของธรรมวินันรักษาจิตแจ้งเราให้มีสินเป็นพื้นฐาน เมื่อจิตแจงเรานั้นยังมีกิเลสอยู่ภายในใจของเรายังมีความโลภความโกรธลาภความขมขณักยินดีในการมทั้งหลายเราก็ต้องหาทางที่จะทำลายกิเลสไปในใจงเราให้ได้หาทางที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตแจงเราใ น, นาทุนกๆขณะจิตในทุกๆวันเพราะหน้าที่ของนักบวช ซึ่งเข้ามาอยู่ในเพศภาคกลางเราพักนี้มุ่งตรงต่อพระนิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความตั้งใจจริงว่าจะทำลายกิเลสนั้นให้สิ้นไป จ, จ, จัดแจงเราไม่ให้กิเลสนั้นอยู่ภายในจิตใจของเราการที่จะทำให้กิเลสหมดสิ้นไป จ, จ, จัดแจงเรานั้นเราจะทำอย่างไร เราก็ต้องตั้งใจในการที่จะามเ่ยญเปลี่ยนภาวนาในทุกๆวันมีสติที่จะทำรวมจิตใจเราอยู่เสมอไม่ให้ใจเรานั้นเกิดความยินดีในรูปเสียงจิตรสสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงทางสัารวมใจ ของเราเราก็จะเห็นกิเลสเห็นอารมณ์ไปในจิตใ จ, ใจใเรานี้แต่ถ้าเราไม่มีสติสำรวนจิตใจดูจิตใ จ, ใจใเรานะี่ยอารมมันใดเกิดขึ้นจิตของเรานั้นก็หลงไปกับลมทั้งหลายหลงยึดมั่นถือมั่นในลมต่างๆพ่าเป็นจิตใ จ, ใจใเราความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นไปในใจงเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ ส่วนกระแสของกิเลสเป้าดูใจของเราหาวายที่จะทำลายหรือละากิเลสออกจากใจเราถ้าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ให้พยายามที่จะภาคเพียนภาวนาในการเินอนมุมรือนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากควบคุมตั้งแต่การจำวัดนอนขนาดไหนจึงจะพอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป โดยปกติที่พูดกันเป็นประจำหรือบอกกันเป็นประจำว่าโดยปกติจำวัดประมาณสี่ถึงห้าทุ่มตื่นแต่จำวัดประมาณตีสามเป็นเวลาพอดีเป็นเวลาสงบสงัดแต่เสียงหรือกระทึกเครื่อโคมทั้งหลายเป็นเวลาที่กายวิเวกจิตวิเวกเราก็จะได้ปราลบความเพียนให้ต่อเนื่องได้ง่าย สุดขัดที่จะต่อสู้กับความง่วงต่างๆที่เกิดขึ้นไปในใจเราการขบฉันขบฉันขนาดไหนจึงจะพอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปต้องดูรู้จักประมาณในการปล่ยโภคให้รู้จักพิจ า, ารณาหันซึ่งพวกเราทุกคนก็ได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำการทำความเพียรขนาดไหนจึงจะทาให้สมาธิเกิดขึ้น ถ้าทุกๆวันทำความเพียรขนาดนี้สมาธิไม่เกดขึ้นก็ต้องเพิ่มในฐานที่จะตํารวมสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องอยู่เสมอทำความเพียรจนกระทั่งจิตใจเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นนันแหละหาความพอดีหาปฏิปทาไปในแจเราให้ได้ ว่าทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดขึ้นถ้าเราทุกคนพยายามที่จะตาระบบความเพียรอยู่ทุกๆวันสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยจิตใจไปขับลมทั้งหลายทั้งปวงไม่กำนวมจิตใจด้วยความมีสติมีปัญญาที่จะรักษาจิตแจงเราแล้ว จิตของเราก็ตกเป็นทาตของกิเลสเป็นทาตของอารมณ์เพราะฉะนั้นต้องมีความตั้งใจจริงในการที่จะประพฏิบัติไปทำความเปียนเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสภาในใจของเราถ้าจิตของเรานั้นไม่สงบจิตของเราไม่เป็นสมาธิไม่มีความตั้งมั่นเกิดขึ้นไปในใจ เ, เราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะ มีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นภาในจิตใจงเราได้เพราะฉะนั้นจึงพยายามที่จะเดินถึงกรมนั่งสมาธิทําให้มากจะเลยให้มา ก, มากจนความสงบเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีความล่าเริศ ม, มีความเบิกบานในการฝึกปฏิบัติไม่เบื่อหน่ายต่ อ, อการกระทําบควาเพีย ถึงแม้แว่าในเบื้องต้นนั้นบางทีเราเขี้เกียจในการเดินโรมนั่งสมาธิเราก็ต้องฝืนฝืนอดทนต่อวความขี้เกียจทันนั้นแบบที่หลวงพ่อหลวงก็ชาท่านว่าถ้าขยันก็ทำความเพียรอยู่แล้วแต่ถ้าขี้เกียจก็ต้องฝืนก็ททำความเพียรให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวันที่ขยัน การปฏิบัติธรรมนั้นต้องฝืนทุกสิ่งที่อยางต้องมีความอดทนในการที่จะกระทำความเปลี่ยนเพื่อมุ่งหวังความบรนลุเป็นที่สุดเมื่อเรามีความอดทนเมื่อเราฝืนต่อลมทั้งหลายทั้งปวงโดยใช้ข้อวัดหรือตุดงขวัดเป็นเครื่องขูดเกาขิดไปในใจของเราเนี่ยให้ทำความเปลี่ยนไม่หยุดสมาธิก็ยอมเกิดขึ้น เมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาที่จะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสไปในใจงเราเมื่อเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นไปในใจงเราเราก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละกิเลสให้บรรเทาบางออกไปจากจิตใจของเราละอารมณ์นั้นให้บรรเทาบางออกไปจากจิตใจของเราได้ทุกๆขณะที่เพราะเรามีสติอยู่ในปัจบธรรม เมื่อตาเห็นรูปผูดินเสียงจมูดกดมกลิ่นดินสัมผัสลดกายสัมผัสเดงนร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นในใจสตินั้นจะเห็นอาการของจิตเหล่านั้นเกิด ข, ขึ้นมาแล้วก็จะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความหลงให้มันท้อเบาล ง, งไปอยู่ทุกๆขณะติดถ้าเรามีสติมีสมาธ เพราะกิเลสนะไม่ได้เกิดขึ้นที่ต้นไม้ไม่ได้เกิดขึ้นที่สิ่งภายนอกเกิดขึ้นที่ใจของเรานี่แหละถ้าเรามีสติเข้าดูอยู่เสมอเราก็จะเห็นกิเลสเ <c oughs> มื่อเห็นกิเลสเราก็จะหาหนทางที่จะดับหรือละกิเลสภายในใจเราได้นี่ก็เป็นเรื่องไม่ยากไม่เป็นเรื่องไม่ลําบากอะไรเห็นอารมณ์ความโลภในปัจจัยตีทั้งหลายก็พิจารณาละออกไป พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติปัจจัยทั้งสี่จีวรวิถบาตเจนาสนะยังส า, าลโลกก็เป็นเพียงธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายเรานั้นอาศัยเพียงชั่วข่าวเท่านั้นเพียงเพืบบ่อบรนเทาทุกเวทนานต่างๆแม้ร่างกายนี้ก็เป็นธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาเข้าไปให้ติดนั้นไม่ให้เกิดความโลภ ในปัจจัยทั้งสีเรอเรอเบย์ขานทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องมาใสในการบำเพ็ญสมณธรรมในขณะที่ดำรงทาตุขันอยู่เท่านั้นนั่นความโลภอย่างหยาบนั้นไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นไปในใจของเราถ้าเรามีสติเฝ้าดูแลรลกาจิตใจงเร า, าทุกๆขณะจิตเพราะเราทุกคนสลับแล้วนี่สลับการแปงหาวัตถุภายนอกสลับชีวิตการของเรือง แล้วเราจะมาโลภในเรื่องอะไรนั่นต้องทําใจถึงแม้ว่าใจเงเรานั้นยังมีเกลีดยดหรือกตางก็สมมติใจ เ, เรานั้นให้ว่างจากอารมณ์แห่งความโลภเราไม่ปัาถนาลากตักระฤทิ์เสียงสารเสด็จสาเสด็เย็นย่อทั้งหลายปรารถนาประพฤติปฏรบัติเพื่อาให้แจ้งพึงปฏิภานไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นความโลภทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ไม่ควรที่จะมีภายในใจเงเรา อาศัปจัจจัยสี่เปี่ยนเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละถ้าเรามีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใเจเกิดขึ้นความจริงความมาฆาาไปบาทนั้นเป็นอารมณ์ขึ้นยากที่สุดซึ่งไม่ควรที่จะมีายในจิตใจของรมนะเพราะเรามุ่งหวังในการที่จะทำลายที่เหลือในใจของเรา อารมณ์แหความโกรธความไม่พอใจเป็นต้นเหตุความทุกข์เป็นกิเลสเราก็ต้องหาทางละอาทางปล่อยวางความมิดมันถื่นมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นออกไปจากใจเงเราอุบายวิธีพวกเราทุกคนก็นทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้องเจริญเมตตาให้ไปซึ้งกันและกันดุจเสมอเสมอโดยปกติแล้วเมื่อทําจิตสงบเราก็เจริญเมตตารือแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณ ในโอกาสที่สมควรเป็นการฝึกหัดจิตใจงรอนั้นให้มีความสงบเยือกเย็นอยู่เสมอถ้าความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็จะเห็นอารมณ์ของกิเลสคือความไม่พอใจหรือความโกรธเกิดขึ้นเราก็ต้องมุ่งหวังที่จะละมุ่งหวังที่จะทําลายอารมณ์นั้นให้ออกไปจากใจเราไม่ใช่เก็บไม่ใช่กักขังไว้ ถึงแม้ว่ายังมีอารมณ์ต่างๆอยู่ก็าตามต้องมีความอดทนมีความมดกั้นที่จะพิจารณาหาทางทำลายหรือละให้เร็วที่สุดสุดที่จะพิจารณาละอารมณ์ต่างๆให้เร็วที่สุดไม่เก็บไว้ก็ไม่มีอารมณ์อะไรมากมายไายในใจของเราหรือาาาาตามราคาก็ตามอันเป็นกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตใจของสัตว์ทั้งหลาย เมื่อตาเห็นรูปจะเป็นสิ่งที่มีชีิตก็ตามรูปที่สวยงามก็ตามกอพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูลให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนประภาวะร่างกายบุคคลอื่นซึ่งจิตของเรานั้นเห็นเป็นสิ่งที่สวยงามก็รู้จักพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูลเห็นเป็นสุภาพกรรมฐานหรือท่าตกรรมฐาน ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายบุคคลเดิมหตัวเราเองพิจารณาอยู่เสมอเสมออยู่ภายในใจเราเพื่อที่จะตัดความหลงในกายตนเพื่อที่จะตัดความหลงในร่างกายบุคคลเดิซึ่งกิจนั้นหลงที่ก็เป็นสิ่งที่สวยงามคนทุกคนนั้นลองลอกหนังออกดูลอกหนังออกดูมีสิ่งสวยงามอยู่ไหมเต็มไปด้วยน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําหนอง เต็นไปด้วยเนื้อเอ็นกระดูกไม่มีอะไรจะเป็นสิ่งที่สวยสด้ด ง, งามเป็นแต่เพียงสมนุกสมมุติแคนั้นซึ่งหนังปกปิดพุ้มพอสิ่งที่เป็นเป็นคูณอยู่ทุกทุกคนมีสภาวะเสมอเหมือนกันหมดในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยท่าดินท่าน้ำทตลมท่ไปเมื่อหมดลมไปแล้วความอบอุ่นในร่างกายก็สูญเสียไปขาด น, น้ำา แตกสลายลงไปธาตุดินก็เน่าเปื่อยกูพังไปกลายเป็นเท่าธุลีไปไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นหรือมั่นคงอยู่ได้เพราะฉะนั้นร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามมีแต่สภาวะแห่งความเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรเปลี่ยนไปได้ แ, แตกสลายไปเลยที่สุดต้องมีสติมีปัญญาพิจารณา เช่นนี้อยู่เสมอๆให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ยงตัวตนของสัตว์ติดทั้งหลายอยู่ทุกๆวันถ้าจิตเราเห็นความจริงก็จะละก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นแต่เองเกี่ยวเลขสีน้อยธรรมะคำถึงตอนของพระพุทธองค์นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งละเอียดหรือลึกซึ้งอะไรมากมายนะักเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมดายอยู่รอบๆตัวเรา ในร่างกายของเราในจิตใจเรานี่แหละพระพุทโธนั้นไม่ไดเอาสิ่งที่คนทั้งหลายไปบัดตามไม่ได้มาสอนแต่ความจริงนั้นธรรมะก็คือธรรมชาติเป็นต้นไม้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อใบแก่ขึ้นหรือต้นไม้อายุนานๆเข้าก็ตายใบไม้ก็ร่วงล้นไป เนนิจังนาตาเกิดขึ้นแล้วย่อมแก่ย่อมตายไปย้อนกลับมาพิกิจจะมาดูร่างกายเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ลงพ้นความแก่ไม่ลงพ้นความเจ็บแผลป่วยไม่ลงพ้นความตายไปได้ก็เป็นธรรมชาติอยู่ธรรมชาตินี่แหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระสาวกของสมเด็จพ ร, รมมะสัมมาสัมพุธทธเจ้าซึงเห็นธรรมชาติเหล่านี้ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาคือท่านเห็นอนิจจังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงแค่นั้นแหะจิตก็รู้ธรรมเห็นธรรมเห็นนั้นตัตาความไม่ใช่ตัวตนนะจิตเมื่อเห็นธรรมจิตก็เป็นธรรมขึ้นมาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปแต่เราทุกคนนั้นรู้อยู่ไปในใจของเรา แต่ใจเรานั้นไม่สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเราในร่างกายบุคคเดกในวัตถุธาตุทั้งหลายออกไปได้ก็ เ, เพราะว่าจิตของเรานั้นยังมีความเห็นไม่ถูกต้องท่านจึงให้ดำเนินในสิ่งเป็นพื้นฐานของจิตท่านจิตให้สงบเป็นสมาธิเพื่อที่จะเป็นเป็ น, ปนบาดฐานแห่งสติปัญญาในการที่จะพิจาร แก้ไขติดแจงเหล่านั้นหรือปฏิบัติติดแจงเหล่านั้นให้เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายใน้ปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนให้เห็นชัดประจกักษ์ขึ้นที่ใจของตัวเราเองจึงจะปล่อยวางอุปทานความดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจัดแจงเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งสมาธิปัญญานี้พระคุโตรหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จึงบอกไว้ว่าเป็นหนทางดําเนินไปด้วยความพิ่มทุกเราทุกคนนั้นก็ทราบคดีอยู่แล้วแต่ทําไมติดใจเรานั้นไม่รู้ทําเห็นธรมก็เพราะว่าพวกเราทุกคนนั้นทํำความเพียร น, นั้นยังไม่มากหรือทาความเพียร น, น้อยเกินไปเลยอสิเกทําความเพียร บางท่านอาจจะเห็นแก่นอนมากเกินไปเห็นแก่ความสุขจากการนอนเห็นความสุขในการขบฉันเป็นผู้ซึ่งเกลียดข้านไม่ทาความเพียรถ้ามี ป, ปฏิปทาเช่นนี้แล้ว จิตใจก็ไม่สามารถที่จะเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดขึ้นมาได้จิตก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกิเลสก็ครอบงำจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นผู้ซึ่งมุ่งหวังในการับฐฐพิธิบัริเพื่อความม้นทุกข์จึงต้องมีสติมีปัญญาหาาบายให้เกิดศรัทธาความเชี่ออยู่ทุกๆขณะจิตในทุกๆวัน การปรพฤิบัตินั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปบัดกันเล่นๆอยู่กันแบบสบายๆถ้าใส่ปัจจัยจสี่ของญาติโยมแล้วไม่ประพฤติบัติธรรมนั้นก็ไม่เหมาะสมไม่สมควรก็เหมือนกับว่าญาติโยมก็ส่งเสียให้เราในการประพฤติบัติธรรมเราก็ต้องทําให้เต็มที่มีความสำนึกอยู่ภายในจิตแจงเราอยู่เสมอว่าเราอาศัย ปัจจิตีเนื่องเฉพาะด้วยพื่นเพราะฉะนั้นการกระทำวามเพียรนั้นจงนนนึงควรที่จะทําให้เป็นที่เพื่อที่จะชนะกิเลสไปในจิตใจของเราในทุกๆวันวันนี้แพ้กิเลสพรุ่งนี้ต้องเอาชนะกิเลสให้ได้วันนี้แพ้แนวลมวันนี้พรุ่งนี้ต้องเอาชนะให้ได้ต้องมีสติรละลึกลู่อยู่ ว่ากิเลสอันใดเกิดขึ้นเราต้องหาทางที่จะชนะให้ได้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้จิตใจของเรานั้นตกเป็นทาสของกิเลสในทุกๆวันถ้าเราทุกคนมีความตั้งใจจริงแล้วการที่จะทําลายกิเลสหรือละกิเลสนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากลําบากอะไรเลยแต่เราก็ต้องฝืนอดทนในการนอนแต่พอดีหรือขบสันแต่พอดีทำความเตียนให้มาก ไม่ทําอะไรตามกิเลสตามความขี้เกียจไปในใจ เ, เราถ้าเราฝืนตัวปฏิบัติจริงๆแล้วสมาธิย่อมเกิดขึ้นทุกๆคนเรนยังกลมหรือนั่งสมาธิขนาดนี้ไม่เกิดขึ้นก็ทําให้มากขึ้นไปทาให้มากขนาดนี้สมาธิไม่เกิดขึ้นก็ทําให้มากขึ้นไปแขนขนาดนี้สมาธิไม่เกิดขึ้นไปแข็งน้อยลงแข็ง น, น้อยลงขนาดนี้ยังมีกิเลสอยก็ไม่ต้องแขนง จำวัดขนาดนี้แล้วสมาธิไม่เกิดขึ้นก็จำวัดให้น้อยลงต้องรู้จักหาปฏิปทาที่พอดีของตัวเองให้ได้ทำอย่างไรจีจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นทำอย่างไรจีทำให้ปัญญาเกิดขึ้นในการที่จะละกิเลสออกไปจากใจเราไม่ใช่ในทุกๆวันก็แพ้กิเลสทุกๆวันต้องมีความตั้งใจจริงในการประพฤติปฏิบัติ ทุกสิ่งทุกอย่างเราทุกคนผมว่าศึกษามาพอสมควรจากหนังสือหรือตำราหรือการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มากพอสมควรอยู่ที่จิตใจเรานั้นจะตั้งใจกัวปฏิบัติแปนขนาดไหนเท่านั้นแหละความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ใครเล่าจะรู้ถึงความตายเมืพรุ่งนี้ เนี่ยการิดของนักปราชญ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานั้นสมบติอย่างที่เกศที่สดมีอยู่ชีวิตอยู่แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละจะทําอะไรก็ทําให้เต็มที่ถ้าเราทุกคนพิจารณาในเช่นนี้อยู่เสมอเราก็จะไม่ประมาทแล้วก็กระทำความเพียรให้เต็มที่สมาธิก็เกิดขึ้นปัญญา ก็เกิดขึ้นในการที่จะละ ก, กิเลสหรือทํำลายกิเลสเออกไปจากใจของเราให้พวกเราทุกคนพยายามที่จะมีความอดทนที่จะฝืนในการทำพุทธิบัติข้อวอัตรใดถูกกับจิตของเราในการที่จะละ ก, กิเลสเราก็ทํำอ น, นั้นหรือทโดงขวะวันรใดซึ่งเป็นไปเพื่อขูดเกากิเลสภายในใจของเราให้มีความสะอาดให้มีความเบื่อเกิดขึ้นก็้อดทนในการที่จะทำพิทธิบัติในข้อวัตรอนั้น ว่าทุดงงวัตนั้นก็เป็นบ่อเกิดแห่งธรรมะที่ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านก็ได้รู้เห็นธรรมก็าจากข้อวัดจากทุดงงวัตนี้แหละอันเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมะที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมเลยติัใจเป็นธรรมเพราะท่านปฏิบัติจริงจังไม่ย่อหย่อนเหมือนพวกเราเพราะฉนั้นขอให้ทุกคนตึงพยายามที่จะ ตั้งใจแจะทําความเพียรผมจึงพูดเสมอว่าทําขนาดไหนยิง่งจะพอดีก็ทําจนหมดลมหายใจนั่นแหละถ้าหมดลมหายใจนั้นยังไม่สิ้นกิเลสก็ให้มีความตั้งใจที่จะตามล้างตามฐานเกล็ดใงหมดสิ้นในจัตใจถ้าเรายังมีความรู้อยู่ภายในใจ เ, เราไม่ว่าจะเกิดขีพบีชาติก็มุ่งหวังที่จะทำขีชาติให้ท่านเข้า หรือทำให้หมดพบหมดชาติแห่งการเกินว่ายตายเกิดในประตาลทงศารอันเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นขอขอยุดติติเตียงเท่านี้ ภอวนาบ้างไหมภาวนาปวดชั่วคราวก็เหมันก็ต้องตั้งใจไม่ใช่ว่ามามาจัดแล้วก็มานอนทําอามเพีย น, น้ อ, อยนม่ได้ปดชั่วคราวตั้งใจทำาอามเพียรให้มากทําให้มันสม่ำเสมอทําให้ต่อเนื่องทําทุกๆวันไม่ได้ขาด ฝึกซ้อมเวลาอยู่ในอารมณ์ปกติที่เราไม่มีอารมณ์ความราาักข้านีเราก็ต้องเมื่อทําสมาธิแล้วเราฝึกซ้อมพิจารณา ก, ยยกายคตาสติหรือสุภากรรมฐานหรื อ, ารอธาตรรมฐานพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆร่างกายนี่เป็นธรรมดาของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญเรื่องกิเลส นี่เราต้องฝึกซ้อมก่อนเหมือนเหมือนนักกีฬานันกมวยฝึกซ้อมให่มีกําลังกายแข็งแรงที่จะเล่นกีฬานี่กาลังใจก็มันกันถ้ามีกิเลสเนี่ราต้องฝึกซ้อมไม่ถึงว่าเดินยังกรมนั่นสมาธิทาสติมันต่อเนื่องทําให้มมีสมาธิเกิดขึ้นแล้ว เ, เวลาจิตมันสงบแล้วเราก็ฝึกซ้อมพิจารณา ในขณะที่ยังไม่มีะความลราคาเกิดขึ้นเราพิจารณาเวลาตายรูปเกิดความยินดีกับเที่แล้วก็พิจารณาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ติน ต, ตอนของรูป น, นั้นหรือไม่มีรูปมา ก, ก่อกวนแต่ความรู้สึกอารมณ์ที่เหลืเกิดขึ้นไปในใจเราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณา ให้หลุดไปจากใจเราในขนาดนั้นให้เร็วที่สุดฝึกซ้อมพิจารณาออกให้ออกเร็วที่สุดให้มีสติจัดจอรู้ทันแต่ถ้ามันไม่มีกำลังเนี่ยมันก็อดทนทำสมาธิตัดหรือเอาใบาที่จะเปลี่ยนอารมณ์นั้นออกไปเยังต้องทำให้จานานเรื่องของรมทุกๆคนและปฏิบัติใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นทุกๆคน ไม่ว่าใหม่หรเก่าจริงเรื่องของกิเลสถ้ามันไม่สิ้นไปจากใจมันก็คอยบอกวนจิตใจเรานั้นให้เป็นอุปสรปรคต่อการภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อต้องเร่งทําสมาธิเดินงดมทําสมาธิต่อเนื่องนี่ครูบาจารย์เมื่กี้แย่กรรมราคะด้วยการผ่อนอาหารหรือบางองค์ก็เต็มทัพรมานด้วยการล ด, ดอาหารเพื่อให้กําลังกายอ่อนตัวลง เราก็เล่งทางความเพียรทังจิตให้มีสติมีสมาธิกายเบาจิตเบาทําสมาธิแล้วก็พิจารณาแยกแยะอาการสางสองให้จิตมันเสื่อมเสื่เวทให้จิตมันเบื่อหน่ายเมื่อเห็นเป็นปฏิกรูนหรืเห็นเป็นอนุภากรมรรคฐานในจิตมันก็ไม่เกิดความกังวลัดดีดีในการทั้งหลายเมื่อมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาอยู่เส ม, อ, สมอเสมอนี่ก็ทําให้ การราคาบรรทาบงงองไปหรือทาให้หมดซึมในใจใจเราได้ด้วยการพิจารณากายกตาสติอสุภากรรมฐานหรือทาตุกรรมฐานให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาก็สามารถทําให้ขึมในใจใจเราได้นี่เป็นมือว่าเครื่องแก้กันเครื่องแก้กรรมราคาก็คือพิจารณากายในกายตนพิจารณาซ้ำทั้ง้อทาพิจารณาให้จิตเห็นจังยิ่ต้องทําความเพียน ต้องดูให้ดีว่าจะแก้ไข ย, ยังไงต้องมีวิบายฉชาตแก้ให้ออกให้เร็วที่สุดทุกสิ่งทุกทุกอารมณ์เนี่ย น, นะทั้งกินอะไรแตงยาความโลภเกิดขึ้นเราแก้วไปความโกรธเก็ขึ้นเราแก้ว อ, อก้ปได้ความรักข้าเกิดขึ้นกบสติปัญญาต้งรู้เท่าทันนะพิจารณาละให้เร็วที่สุดไม่เจ็บไม่กักขังไว้เมื่อไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บอยู่ถ้ามันไม่มีปัญญานะ เราต้องฟิตร้องสติปัญญาที่จะแก้ไขนี่อยู่ในสถานที่ซึ่งหมู่คณะไม่มากนี่ต้องเล่งความเปลี่ยนการงานก่อนจปลีก็ไม่มากอะไรทุกๆ ท, ที่ที่นี่ผมก็ส่วนมากก็รับภาระดูให้ถ้ามีงานอะไรก็ไม่ค่อยได้ให้หมู่เดี่ยวกล้องเท่าไหร่ให้น้อยที่สุดพยายามจะดูแลให้เพื่อให้พุกท่านภาวนา ไม่ใช่ว่าเออการดูแลแล้วเราก็พักก่อนไม่เภานาไม่ถูกต้องมีสิตการงานอะไรจะเป็นเกียรตดูผมก็ไม่ก้อยที่จะให้พวกท่านไหมือนข้องเกี่ยวอะไรมากมายนักนอกจากผมไม่อยู่ไปมีธุระอย่างอื่นเพราะฉะนั้นให้หาเวลาได้หนึ่งกมนั่งสมาธิให้มากไม่ใช่ว่าไม่มีการงานอะไรแล้วก็นอนมากไม่ถูกต้องนอนมัน พาพอแล้วก็ไม่รู้ทําเห็นทําี่ต้องทำอมเพียนบ้างถ้าเราถ้าบวชมาแล้วไม่ตั้งใจทวอมเพียนหรืิขี้เกียจทําเพียนนะถ้าพูดตางตรงวาถ้าไม่อย่างทำอเพียนจริงๆขี้เกียจสู้ไม่ไหวเอาออกไปเป็นคารวาสจะดีนะไม่ต้องอยู่ในเพศสมณะให้ยุ่งยากในออกพรรษาลังกทิน ไม่คิดว่าสู้ไม่ไห ว, วะเสร็จแป๊บก็อยู่ในเพรี้ยชารวานไปทําหน้าที่างานต่างๆไม่ต้องอาศัยปัจเจกญายิโยไม่ต้อง เ, อ ป, เ, ดดเป็นหนี้ชาวบ้านเขาให้บางคนถ้าบวชมาแล้วเป็นพระรู้สินไม่ทำมอมเพลียนี่เกียยวก็เป็นหนี้ชาวบ้านคเขาตายแล้วแต่แล้วไปเกิเดเป็นบัวเป็นควายใช้หนี้ เลยไหมก็อทวศีลนี่มากๆก็ไปสู่ในภพภูมิที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอยู่ในเพศบ้านเรือนเนี่ยอาศัยูลของพระพุทธเจ้าเยเราก็ต้องตั้งใจที่จะทำความเปลี่ยนให้มา้างๆผมบวนมาตั้งใจเป็นมะข่าว เขามาบวชไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ทำอมเพียนทำอมเพียนทุกวันจะมากจะน้อยก็ทําไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เดิ น, นั่งคลมแมงสมาธิถึงแม้อาพาธก็ทําสติทำสมาธิพิจนารณากายในกาตนอยู่เสมอไม่ได้ขาดทุกทุกวันสายมูลของพระพุทธเจ้าคือสายความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะพวกเรา ว่าญาติเดียวก็มีตาตาต่อพระพุทธธรรมประสงค์ตาตาต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยนั่นทำให้มันสมงรูมเนี่ยที่สมูลของพระพุทธเจ้าพราะคนเขาเห็นว่าพระนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัยเป็นผู้ปฏิบัติดีฏิบัติชอบก็ต้องทำให้จริงจังนี่นะพระถ้าทุศิลอยู่ในเพศท้ายเนี่ยเขาเพิงเกียงเรียบนะ เขตรง่เจ็บเจือเหมือนหมาโจรก้นซับยิ่งกว่าโจรเป็นหมาโจรหลอกลวงชาวบ้านอาใัยไปแต่ใจสี่ชาวบ้านแล้วไม่ภาวนานั่นแหละคุณรับกรรมมาไม่ใช่่าอยู่ด้วยความเคยชินายหลายภรษามางทีก็เคยชินเราต้องไม่เคยชินมีแต่ความ แตดุ้งเลยระมัดระวังภายในใจเราไม่ใช่ว่าเราเป็นพระเป็นเพื่อนสูงของคารวะอย่าไปหลงตัวเองไว้นะอันนี้สมมติใจว่าเป็นพระอาศัยผ้าเหลืองอาศัยผ้ า, ากาดสระพัเพื่อพระพุะทธศาสนาถ้าจริงจริงความจริงนี น, นะถ้าเรียกว่าเป็นพระจริงนะคือพระญาตบุคคลอย่างน้อยตรงใจความดี ยังไม่ถึงพยัยยะบคนให้ทรงในพระธรรมวินัยให้ศีลให้ดีให้มีศีลให้บริสุทธิ์พราะนั้นไม่หลงไม่ลืมตัวนะเราต้องทําจิตใจเรานั้นไม่เป็นพระขึ้นมาอย่าพากันประบาทหน้าที่เราเด่นยงคมนั่งสมาธิทํำอมเพียนหน้าที่ของพระทุกๆวันทําให้มากจะไดไม่มาก ทำจนมันเกิดความสงบไปขึ้ น, นไม่เคยจะทำํำจนมันเกิดนะเมันก็ต้มน้ําต้มน้ําถ้าหลี่ไฟน้นอยๆก็ไม่เดือดเล่งไฟให้มันสม่ำเสมอเดี๋ยวก็เดืดหรือว่าหลวงพ่อช้างควรขุดดินหาน้ําถ้าคลายความเพียรก็ขุดดินไม่เจอน้ําทิ้งเจาทิ้งเสียมถ้าขยันคิดว่าในดินมีน้ําขุดไปสิบเมตรไม่เจอขุดอีก สิบห้าเมตรไม่เจอขุทีิขุดไปถึงยี่สิบเมตรมีน้ำถึงยี่สิห้าเมตรมีน้ำขุดไม่หยุดสมาธินั้นให้อยู่ที่ใจองเรานี่แหละสรวมสติสรวมแจงร้ดีสมาธิจะ เ, เกิดขึ้นทาความเพียรในนกมนั่งสมาธิวันละแค่นี้ชั่วโมงไม่เกิดขึ้นเพิ่มพเพิ่มไปเรื่อยๆจนจิตสงบเป็นสมาธินั่นะ ก็จะล่าเริงในธรรมมีธรรมมีเครื่องอยู่คือสมาธิธรรมเกิดขึ้นเอาให้หนักขึ้นดีมีปัญญาธรรมในการละวางกิเลสเป็นเครื่องอยู่ น, น, นะต้องเอาไว้นั้นจะยอมแพ้กิเลสนะไม่ได้นะต้องฝืนต้องอเอาชนะต่อสู้กับศตูต่อสู้กิเลสเหมือนศะตรูไปในใจเรา ผู้บาอาจารย์ด้วนนาะการปฏริบัตนะิเนี่ยถ้าไม่ดีก็ให้มันตายเสียปาติดของกัน้นะถ้าไม่ตายก็ให้มันดีเอาจริงเอาจังต้องเอาจริงเอาจังไว้นะทําจนให้มันหมดกิเลสถ้าไม่หมดกิเลสก็ไม่เลยกความเพีย่ยนนะนะใครมีใครมีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวพาเลิ